Thank you. ช่วงนี้ตามทางเดินถนนจะมีสัตว์ตัวเล็กๆเช่นพวกหอยทากหรือว่ากระสุนพรนยงพวกนี้นะเดินได้เชื่องช้ามากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็โดนรถเหยียบนะโดนรถทับบางทีคนก็เหยียบนะเพราะว่าไม่ทันสังเกตโดยเพราะในเวลากลางคืนหรือว่าเวลา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 ไม่น่าเลยนะที่มาหากินนอกถิงนะ่งของพ่อถ้าหากว่ายังหากินในถิ่งของพ่อนี่เหีืยวก็จะทําอะไรไม่ได้เดี๋ยวได้ยินเนี่ยนะมันได้ยินภาษานะของนกมูลไถยเนี่ยก็เลยอ่ารู้สึกว่าถูกท้าทายเลยเพราะคําพูดที่ว่าถ้าหากว่า ยังอยู่ในถิ่นของพ่อนี่เหนะยื่วนี่จะไม่มีทางจับได้เหียืยวนี่มันมีความทนงตัวมีความเชื่อมั่นนะว่ามันมีตาที่แหลมคมแล้วก็มีความเร็วมีความสามารถนะไอ้นกตัวเล็กๆตัวนี้มันอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะพ้นจากเงื้อมมือของเหี่ยวได้เหยื่อก็เลยถามว่าเนี่ยถิ่นของเจ้าเนี่ยมันอยู่ไหนนกมูนถ่กบเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละนะชิตรงทุ่งนานี่แหละ ตรงบริเที่มันมีรอยไถ่เนี่ยนะเหยื่อมันต้องการเหยื่ยอมรัสเซียมัถูกปราโมทานะต้องการพิสูจน์ความสามารถนะว่ากูแน่เนะีก็เลยนะเอานกมูลไถ่เนี่ยไปปล่อยไว้นะตรงทุ่งนานกมูลไถ่เนี่ยพอนะมันกลับมาที่ทุ่งนาก็คล้ายๆว่าพูดจาท้าทายนะ ให้เหี่ยวเนี่ยลงมาโฉบนะเหวี่ยงนี่มันมั่นใจในความสามารถของมันอยู่แล้วนะมันก็เลยพุ่งจากฟ้าเนี่ยลงมาที่ตัวนกมูลไทยเนี่ยกล่าวว่าจะสั่งสอนซะหน่อยนะประมามมทมันเพรากฏว่าพอนกมูลไทยเนี่ยล่อนโฉบลงมาเกิดจะถึงพื้นดินเนี่ยนกมูลไทยมันก็รีบหลบเข้าไปในในในรูเลยนะในร่อง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 อันนี้พระเจ้าก็พูดพดยาย้มนะให้ภาษาวกเนี่ยได้มันจรรยสติปัฏฐานนะเพราะสติเนี่ยนะโดยเพราะที่เป็นสัมมาสติเนี่ยมันสามารถจะรักษาใจนะให้ปลอดภัยได้ปลอดภัยเพราะอะไรเพราะว่ามีความรู้สึกตัวนะสัมมาสติเนี่ยนะมันจะเป็นสติที่ประกอบไปด้วยสัมปชัญญะนะนะในสติปัฏฐานสี่เนี่ย หรในมาสติปฐานสูตรเนี่ยก็จะมีข้อความที่เราสวดอยู่เป็นประจำนะอาตาปีสัมปชานโนสติมาเนี่ยสามตัวเนี่ยก็คือคุณลักษณะของสติปฐานเป็นสติปทานนะที่นําไปสู่ความพ้นทุกข์อาตาปีคือความเพียรเผากิเลสนะสัมปชานโนคือความรู้สึกตัวนะสติมาคือสติน ะ, ะสติเนี่ยมันมีหลายชนิดนะ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 ไม่ใช่เฉพาะความโกรธนะความเกลียดนะความเศร้าที่มันทำให้คนเนี่ยลืมตัวนะหรือมันทาให้คนเมานะแม้แต่ความความลึงโลดความดีใจนะอารมณ์อย่างนี้มันก็ทำให้คนเมาได้นะก็คือลืมตัวนะไม่รู้ตัวคนเราพอดีใจมากๆเนะี่ยเช่นพวกที่อ่าถูกลดตัวเลรางวัลที่หนึ่งดีใจมากนะบางทีเดินด้วยความดีใจเดินะดลงบันไดก็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 โดยพาช่วงที่มันมีความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยคนที่เมาความคิดเนี่ยเมาการเมืองนี่ก็เยอะมากถึงขั้นทะเลาะบาแวงกับเพื่อนถึงขั้นทําร้ายเพื่อนยิ่งถ้ามันมีอย่างอื่นมาช่วยผสมลงด้วยนะเช่นเล้าเนี่ยนะอันนี้หนักเข้าไปใหญ่เคยมีนะว่าสิบปีที่แล้วเนี่ยมีเพื่อนสองคน นะกินเหล้านะเลี้ยงเหล้ากินเหล้าเมาไมา้ก็ไม่ถึงกับเมาไม้นะก็เรียกว่าอพอจะได้ที่เนี่ยเราคุยเรื่องการเมืองอคนนึงก็เจทักสินนะตอนนั้นสมัยนั้นทักสินยังเป็นนายกอยู่อีกคนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับทักสินที่จริงเป็นเพื่อนกันนะแต่ว่าพอพอเริ่มจะเมาแล้วนะแล้วแถมไปยึดติกับความคิดของตัวเนี่ยมันก็เมาเรียกว่าเมาซ้ำสองเลย เมาทั้งความคิดแล้วก็มีเหล้าเนะี่ยมาช่วยทําให้เมาเข้าไปใหญ่ทะเลาะ ก, กันนะทะเลาะ ก, กันไม่พอนะถึงข้าลงไม้ลงมือปล่อยฝ่ายหนึ่งถูกต่อยนะอีกฝ่ายหนึ่งก็หาไม้มาฟาดไอ้ฝ่ายที่ถูกหามามาถูกไม้ฟาดมันก็โมโหมันเจอขวานได้นเอาขวานจามเนะี่ยตายนะเพื่อนกันแท้ๆนะเพื่อนที่กินเหล้าด้วยกันเนี่ยก็กลายเป็นว่าตายซะแล้วนะ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 หรือความคิดอุดมการมันก็ลืมตัวได้ไง่ายๆเดี๋ยวว่าตายอะไรเลยนะมกะทั่งบุญเนี่ยนะบุญเนี่ยนะก็เป็นของดีนะแต่ว่าบางคนเนี่ยหรือหลายคนเนี่ยก็เมาบุญนะอยากได้บุญมากนะเพราะเห็นว่าบุญเป็นของดีนะจะทำให้มีอายุวันนัสุขาระละมีความเจริญนะก็ทำบุญอย่างหนักนะยิ่งมีคนบอกว่าเนี่ยยิ่ง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 ก้อนเดียวนะมันก็มีอ น, นิสงส์มากนะอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีนางทาสีเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะทำงานเสร็จมาเหนื่อยทำงานตลอดคืนนะจนเช้าก็เรียกต่าข้าวนะตำข้าวเนี่ยจนเช้าเนี่ยก็ข้าวที่ตำได้ก็ต้องให้กับคนว่าจ้างหรือเจ้านายตัวเองก็ได้แค่เศษข้าวแล้วก็เอาเอ า, เอาลำข้าวเนี่ยมา มาผสมนะกลายเป็นก้อนข้าวกล่าวว่าจะไปกินนะตอนเช้าเดินเจอผู้เจ้ากำลังบินธบาตผ่านมาด้วยความศรัทธาก็เลยถวายนะได้บุญมากนะเพราะว่าเป็นเป็นทานที่ถวายด้วยศรัทธานะก็ปรากฏว่าทําให้มีอนิสงฆ์นะยิ่งพอได้แสดงธรรมฟังพอได้ฟังธรรมจากพผู้เจ้านี่ก็บรรลุธรรมเป็นโซดาบัลเลยนะีอันนี้เราว่า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 แล้วตัวเองก็กลายเป็นภาละให้กับคนอื่นเพราะว่าบริจาคหมดตัวนี่แล้วเม้าบุญนี่ก็ไม่ใช่ว่าของดีนะแล้วมันก็เป็นไปได้ด้วยหรือบางคนเนี่ยอยากจะไปทำบุญกับหลวงพ่อหลวงตาองค์นี้นะเพราะว่าเชื่อว่าเป็นพระอราหันต์ก็แหกันไปคนเยอะเนี่ยนะ่อยากจะถวายให้ท่านฉันก็เรียกว่าเบียดเสียดยัดเยียดกันนะบางทีก็ถึงขั้นทะเลาะบอกแวงกันนะเพียงเพื่อว่าจะให้นะให้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 แต่บางคนเนี่ยนะเดินเมื่อถึงฝั่งแล้วเนี่ยจะแบกแพ้ขึ้นไปด้วยอันนั้นมันผิดวัตถุประสงค์ของแพแล้วนะแพนี่มีไว้ข้ามฝั่งข้ามฟากเมื่อถึงฝั่งแล้วก็วางแพไว้ตรงนั้นแหละพระเจ้าตรัสว่าเนี่ยธรรมมากของพระองค์นะก็เช่นเดียวกันนะเป็นเหมือนพ่วงแพที่มีไวเอาไว้ข้ามฝั่งก็คือข้ามโอกาสสงสารข้ามพ้นห่วงแห่งความทุกข์ นะเมื่อถึงความพ้นทุกข์แล้วก็ต้องวางให้หมดนะนี่ขนาดที่เป็นธรรมะที่พรงแสดงนะซึ่งล้วนแต่เป็นกุศลรรธรรมทั้งนั้นนับภาษาอก็เอาเอากุศลธรรมเนะี่ยยิ่งไม่ต้องพูดถึงนะถ้าไปยึดติดถือมั่นก็ยิ่งเกิดความฉิบหายก็ไปใหญ่นะนะต้องระมัดระวังนะไอ้ความเมาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเมาอารมณ์เมาความคิดนะหรือว่าเมาความดีเมาบุญเนี่ยมันไม่ดีทั้งนั้นอนะรวมทั้งเมาธรรมะเนี่ย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 เรียกว่าหลงแล้วก็ผิดทิศผิดทางมากขึ้นเพราะเทวทัตเองนี่ที่พลาดท่าเสียทีก็เพราะเหตุ น, นี้แหละนะพอภาวนาแล้วเนี่ยมีฤทธิ์นะมีอภิน ญ, ญาก็หลงในฤทธิ์ในอภิญญานั้นจนกระทั่งอยากจะเป็นใหญ่เหนือพืชเจ้าเนะพระเทวทัตนี่เป็นคนที่มีความสามารถในการภาวนานะแต่พอภาวนาแล้วไปติดไงไปติดกับอภิน ญ, ญาในฤทธิ์ของตัว นะก็เกิดความหลงตัวลืมตัวว่าฉันเนี่ยแน่พระวิจารณิชลาแล้วควรจะนะมอบนะหน้าที่ให้กับตัวเองได้แล้วสุดท้ายก็พอไม่ได้อย่างที่ต้องการก็จากความศรัทธาในพระเจ้าก็กลายเป็นความเกลียดมุนะ่งทำลายถึงขั้นหมายเอาชีวิตของพระองค์นะคนรอยมันพลิกได้นะเพราะความหลงเพราะความเมานะเมาในอำนาจแต่ที่เมาในอานาจก็เพราะว่า การภาวนาเนี่ยมันภาวนาเนี่ยไม่ได้ภาวนาเพื่อทําให้ลดละหรือเพื่อทําให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาก็กลายเป็น อ, อยากใหญ่อยากโตนะจนกระทั่งกลายเป็นผู้ที่ทําอนันตริยกรรมนะก็คือทำลาภุญเจ้านั้นต้องระมัดระวังนะขณะเดียวกันก็ให้ให้ตระหนักว่าเนี่ยที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยสติปัฏฐานเนี่ยเป็นถิ่นเปรียบเหมือนถิ่นของพ่อที่ทําให้ปลอดภัยเนี่ย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 คำนี้พูดกันตอนนี้นะครับพระ